วิธีเก็บปริวาทภิกษุทั้งหลายภิกษุพึงเก็บปริวาทอย่างนี้ภิกษุผู้อยู่ปริวาทนั้นพึงเข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระโยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าข้าพเจ้าเก็บปริวาทปริวาทย่อมเป็นอันเก็บแล้ว หรือกล่าวว่าข้าพเจ้าเก็บวัดวัดย่อมเป็นอันเก็บแล้ว